เพราะฉะนั้นเพื่นบอกว่าบะได้มาอยูไม่กินเขาว่ า, าปฏิบัติถ้าหากว่าหลังปฏิบัติแล้วมูเจ้าจะกินบะไดามากินบ้านกินเต็มที่เออหล่อนนี่สิแต่มาปฏิบัตินี่ให้กินน้อยๆจะได้ปฏิบัติหลายๆเาเรื่องอยู่เรื่องกินม่ยุ่งยุงลายเพื่นก็เลยให้แม่ครัวจัดการก็ได้ผลดีย่ําเข้าที่ปฏิบัติแล้วก็กบแบ่งเป็นกลุ่มกันผู้เก่าไปทางนึงผู้ใหม่ไปทางหนึ่ง ผู้เก่ามีผู้เก่าในส่วนใหญ่เรวพอให้เขาเก็บอารมณ์หรผู้ลเซ็ดมือซีบมือเข้าห้องเก็บอารมณ์ผู้ใหม่ก็อยู่ขา้างนอกก็ฝึกแต่ผู้ใหม่ผู้ใหม่ก็จะคือแบ่งเป็นซีกลุ่มกลุ yeah ่มท <m ell ain> ี่กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่เคยเก็บอารมณ์มาแล้วหลายเทธอก็มาซอยเนี่ยมาเก็บอารมณ์น่ยกลุ่มที่สองเคยเข้าปฏิบัติแล้วแต่บ่เคยบ่เคยเข้าเก็บอารมณ์มาเข้าขอดหามือเจ็มือแต่บ่เคยเก็บอารมณ์เข้ม กลุ่มที่สมคือเคยคนเข้ามาฟังมาปฏิบัติเทอมือสองมือแต่บ่เคยเข้าคอทเชตมือกลุ่มที่สคือกลุ่มคนใหม่อีหลีกลุ่มบ่เคยปฏิบัติเลยเนะแ่แบ่งไปสี่กลุ่มกลุ่มเคยเก็บบอลลุ่มกลุ่มบ่เคยเก็บบอลลุ่์กลุ่มให ม, ม่แต่เคยเห็นมาแล้วแต่กลุ่มใหม่บ่เคยเห็น แ, แบ่งไปสี่กลุ่มสี่การรสึกว่ามันก็เลยเหตุการเรื่นรูลลูมันเป็นขบวนการ แต่วิธีการวิธีการโพเทียนนี่เฮ้ยเน้นให้ให้เกิดความเข้าใจก่อนถ้าเห็นด้วยความบ่เข้าใจมันสงสัยมันดังเลมันเห็นแล้วมันขีข้คานแต่พอมันเข้าใจแล้วเห็นแล้วมันมวนเหมืนเห็นแล้วมันเห็นอาการต่างๆก็อยู่ที่ความเข้าใจเน้นให้เกิดความเข้าใจสก่อน นะเพราะว่าภูมิมาปฏิบัติมีมาจากสายนอก็มีสายปุตโตมีสัมมาหังมีสายรูปนอพร่องนอสายอนาปสติอะไรนี้มาแต่ละฐานมือคือกันแต่ภูที่มาทั้งวิธีการเคลื่อนไหวเป็นคนที่เคยพันทั้งอื่นนมัสแล้วนี่ยมันไปบ่ได้เขาเจก็มาลองวิธีนี้ถ้าลองวิธีนี้แล้วบ่ได้ก็ไม่เข้าว่าแล้วแต่เจ้าจะไปเอาทางไผ่ทางมั่นหน่นี่เขามาทางได้ไปทางสุทัยแหละ เนะพราะว่าวิธีการนลวงพ่อเทียนมันเป็นที่ที่บอกง่ายด้ยากอยู่แต่ว่าเวลาพูดตั้งใจเหตดีลแล้วมันมันผ่านง่ายๆแต่เหตุเดียวความบอเข้าใจกับพได้ขึ้นกันแต่เหตุเดียวความเข้าใจพนะวันนั้นเบื้องต้นสามมือนี่ทําความเข้าใจกันทูกแง่ถูกมุมนะทําความเข้าใจเรื่องความหูสึกตูนี่เขาว่าวันไงไงด้วยความหูซึกตูนี่ แต่ความรู้สึกตัวที่เขาเคยหูจักกับความรู้สึกตัวแบบแบบที่หลวงพ่เทียมเรนบออีกแบบหนึ่งบคือื่นแต่มันใกล้ๆกันนั้นแต่มันบวกลื่กันนะอันนี้คือคือทําความพอใจหลายๆเถื่อจนกระทั่งจับลักได้ว่าเออันนี้แหละคือความรู้สึกตัวแบบสติปติฐานแหละความรู้สึกตัวที่เขาเคยเข้าใจเป็นความรู้สึกแบบว่า ความจำนะมันเป็นสัญญาความรู้สึกตัวแบบจำเอาแต่มันบเป็นความรู้สึกที่สัมผัสเอาสมมุติว่าถ้าถามว่ากระดาษนี่เป็นยังไงเออมันคงหนุ่มนิ่ ม, มดีอย่างนี้นะไปคิดว่ามันนุ่มนิ่มันเป็นสัญญามันนเดิมแต่เขาไปจับไปลีเทีอนบอกหนุ่มก็มีเลยครับคแว่าคิดว่านุ่มก็มาไปจับว่ามันนุ่มเลยตั้งกันอย่างนว่า ว่าน้ำนี่เป็นยังไงมันนักมันนักในความจำเนี่ยที่เขาเขาเป็นสัญญาทดิพานเวลามันหนักแต่มันบริณนักอย่างนี้เพาเจ้าความรู้สึกนักกับคิดว่านักนี่ยต่างกันคิดว่านักเนี่ยมันบริณนักนี่เขียนว่าแต่พอเจ้าขึ้นเนี่มันรู้สึกนักแต่ความรู้สึกนักกับคิดว่านักนี่ต่างกันล่ะอันนี้คือคือมันจะทําความขรุขรกันยากนคิดว่า อันนี้เป็นอย่างไรนักนักอย่างไรนักหลายนักหน่อยครับหัวแต่ว่าเราประโยชแล้วเขาจะหูเจ้าวมันมนักหลายแต่เขาประโยชก็มันนั ก, น ก, นกเนาะเนาะอเฉพาะอันนี้เออนิน่งเบาความรู้สึกม่าต่า ง, ต, า ง, ต, างต่างกันไปให้ความรู้สึกแบบสัมผัสแบบหูซึกอิรลยนะสู้คำถามว่าคณะนี้นั่งเป็นอย่างไรบางคนสบายบางคนบม่สบายนั่นเป็นความจำเก่าดีก ว, ว่าสบายบนสบายนะ แต่คาะนีที่นั่งรู้สึกอย่างไรถามไปธารมาคนคนที่บุเคยปฏิบัติบุคคลเขาตอบบุตรถือก็รู้สึกสบายบางคนเหงืรร่อทรบมาด่าทัมดายอย่างไรอธิบายบุถือว่ทาทรรมได้หลวงพ่อฤษสัจ้างลยงยกขึ้นดูตางกับที่นั่ ง, งหันบ่ตงังตงอย่างไรอธิบายบตรถือกันว่าตังอย่างไหก็รู้สึกว่าตาง อันนี้คือความยาของมันว่าันทีบางที่ลูกขึ้นกับลูกขึ้นแล้วตั้งกันอย่างไรบอกว่าคอลูกขึ้นมันนักลูกขึ้นเป็นยังไดมันเบานักเป็นเป็นยังไงเบาเป็นยังไงก็บอกว่าถือขึ้นกันอันนี้คือว่ามันเป็น <c oughs> มันเป็นตัวงหูสึกที่เป็นปรมาทมันบอกว่ถือแต่เวาสมสัมพัทธ์ใดทีนี้เหตุยังไดว่าข้อมู้สึกเกีงเสียมันจะยู้สึกได้ตลอด อ่าอันนี้คือคือความคือความหมายของมันแต่ถ้าหลวงพ่อบอถามเจะโดยมูลซึกว่านักเบาในมีบ่มีอยู่แต่บูรุษเอาไปอย่างบูรุษ <c oughs> พอมันลึง่งมันชินแล้วนักก็บบูซึกนักเบาบูซึกเบาบัดไปถามหาว่านักเบาเป็นอย่างไรถึงมาสัมภัติโอ้นักเป็นอย่างซี่เบาเป็นอย่างซี่นักมันบรสบายเบามันสบายามันมันเกี่ยวข้องเรื่องมุนีก่อนนั่นเอง ในในเบื้องต้นนะ <c oughs> พอส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาไปนเน้นความสงบสงบพอเขาไปสูญในความสงบจิตแล้วเนี่ยเขาจะบุรับรู้ความมุ่งซึกงทา้งกายเล ย, ยไไความมุ่งซึกทั้งกายเป็นแต่บ่บุรับรู้บรับรู้โดยจิตสงบพอจิตสงบแล้วมันลืมมดนะลือมอาการทางกายมุดที่นี่พูดก็ว่ามันหูกาย กรบืถือหู้ใจก็บืถือหู้ใจมันสงบมันสงบแบบบรับลูอนนะ่อะไรนะอะไรเกิดขึ้นความคิดแล้วมากกับบรับลู่สิ่งกระทบขึ้นมากกับบรับรู่ ค, คิดมันนิ่งอยู่สิอันนี้สง บ, บ, บอ่นนี่สงบคนละแบบอันนี้สงบแบบสมร t h ะนนแต่สงบแบบวีพัฒนาคือสมมติาร่างกายนักเนี่ยถามว่าร่างกายมันสงบหล่ร่างกายมันปวด ขามันปวดนี่ถือว่าสงบบนร่างกายใจมันสงบมันคิดอย่างถือว่าสงบบนร่างกายเวทนาบนสงบลรอเพร า, า, ย า, า, ร า, ายะยมันนักนั่งไปดูดูนไปอย่างไรแต่คิ้วมันจับมันนักแต่เวลานั่งลุกขึ้นปับ๊บทาง่าร่างกายสง บ, บ, ง ส, ง บ, บงสงบสงบยงอย่างสงบจากความหนักความผู้ซึกหนักมันสงบไป ความหงุดหงิดเบาเกิดขึ้นเอานั่งไปสักพักนึงมันก็น่าขึ้นมาไหมเริ่อบรสงบีลรากายเขาว่ากายบรสงบหมายความโมเมนเขาแล่นบุญมีบุญไว้โมเมนต์นงเด้เขาว่าร่างกายสงบทร่างกายบุมีเวทนาบีบคันอันนี้แล้วกายสงบแบบสงบจากถูกเขเวทนาเขาว่าจตสงบก็มบนหมายความว่ามันบมรับรู้อะไรเด้หมดรับรู้ได้ทุกอย่างแต่ว่ามันบอกเอามาคิด บอมาปุงมาแตง่งมารับรล้ทุกอย่างแหละเสียงผู้นั้นบอกก็ได้ยินเสียงนกเสียงหนูเสียงปูเสียงปลาห้องนกหนูปูปลาห้องก็ได้ยินแต่มันบอกเอาเรื่องนั้นมาคิดนั่นเรียกว่าใจสงบแต่สงบแบบเรับู่้ลุลใดนี่กเอสงบสัมาสมาธะแต่สงบแบบรับรล้ทุกอย่างแต่ว่าบอกมาคิด น, นี่สงบแบอบอิปัสนาแต่ตองมาทาความเข้าใจจนจนจ น, จนเข้าใจ พอเข้าใจพื้นฐานย่ำสิแล้วเนี่ยสองมือสามมือแล้ววันที่เข้าใจเรามันเหตุดบดุได้ได้กว่านี้ก็ต้องไปเหตุให้ได้สือนั่งไปนั่งมามันง่วงสิถือว่าสงบปะก็บสงบละพอใจพิษปกติและ้ะนั่งไปนั่งมามันเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งเค่ ง, งตึงบี่ยวขันร่างกายบุสงบและ้ะก็มาบำบัดบนี้บำบัดให้ร่างกายสงบพูนใส่คําว่าเวทนาเบาบาง เวทนาสมบายเวทนาปกติร่างกายสุงงบจิตหนึ่งเฮาเวทนาเบาบางเวทนาส ง, งบหมายถึงว่าเ่ามีความความพอใจก็บ่ามีความบม่พอใจก็มีมันซื่ อ, อ, อแต่คงซึกอยู่ถ้าหากว่ามั น, มนพอใจไม่พอใจก็ต้องบึงแล้วกันก็บำบัดตัวเข้าไปบำบัดตัวเข้าไปแก้ไขโดยอื่นว่าสติสมมัมปัญญะขวามหูเมียเข้าไปแก่เพราะฉะนั้นก็เลย ในวิธีการโอเคียนต์พุนก็เรยบรริยมว่าจะให้สงบแบบว่าบลูเรื่องหรือสงบแบบติ่งบดติ่งบอหนิงบดติงบอเคลือนบวายนะสงบแต่สงบจากเวทนาสงบจากสุขเวทนาสงบจากทุกขเวทนาอยงนี้สงบจากความรู้สึกหนักความรู้สึกเบาสงบจากความรู้สึกสบายบรสบายสงบจากความคึด แต่บริสุทสงบไปความหลูถ้าคิดได้รับหลูคือเขารับหลูสบายบรสทสบายรับหลูแต่ว่าบอให้ไปคิดว่ามันเป็น น, นั้นอันนี้พอไปคิดไปปรุงแตงมันจะฮึ่งซึกงนักกว่า น, นี้อันนี้คือคือในความหมายวิธีการหลวงพเทียนถ้าเข้าเข้าใจยังซี่แล้วจะเข้าใจได้อยู่แต่สักพักมันก็ลืมวันนี้เป็นว่ลูกวันนี้ก็ลืมแล้วที่เขาบอกวันนี้นะ มันก็นลืล่อมละแต่เห็นจังไงให้มันบบลืมบ่เนี้ยนี่คือจุดของมันถึงว่านั่งยังเสียมันรู้สึกนักเอาลูกไปนี่มันเบาไปได้ยืนแล้วความนักบปได้อยู่ตะโพกเขาแล้วความนักไ ป, ยปอยู่ที่ขาไปอยู่ติน่นให้เลื่อนเอาตัวลูปเนี่ยไปลูปส่วนที่มันเกิดไม่เรื่อยเรื่อยเกิดส บ, บา ย, รยบรสบายเยกิดสุขเกิดทุกข์ แต่ถ้าเฮาบ่าได้สติตัวนี้แล้วนี่บรรลุคือเราไมันก็ลืมเลยนักเบาบรสิสนใจละอันนี้ก็เรียกว่าสติแบบนั่นเพื่อิญว่าสติสัญชาตญาณรูล้ล้วมันก็หายไปรู้มันก็ดับไปชื่อว่าใดแต่ที่ถ้ามาฝึกฝึ ก, กสติที่เป็นสัมปทาญยะเป็นปัญญาญาณคือรู้นักมองนี่เบามองนี่แล้วเวลาเขาเปลี่ยนไปมันไปเบามองใหม่ไปนักมองใหม่แกรู้มันต่อไป เวลามันนักตอนเดินเขาก็นักแบบเดินเวลามันเบาจากการเดินเั่กับเบาแบบเดินเขาก็เบิ่งมันไปเรื่อยๆอเวลาไปจับนั่นนักนี่บอกว่าตามลู่เอินว่าตามลู่นันภาษาบรอณอนุปัสนาเวทนานุปัสนากายานุปัสนาจิตานุปัสนาคาว่ากายบวกคาว่าอนุปัสนากายานุปัสนากายานุปัสนาสติปัฏฐาน เป็นที่ตั้งของการตามลู่ตามระลึกข้างกายตามลู่ตลอดตามลู่ตามเห็นนะตามเฝ้าบง่งอืน่นบ่อนุปัสนาแต่เวลาแปะพุทโธมาใส่กับพิจารณามันก็ค่ายกับอนุปัสนาแต่วันบกิกขึ้นกันอนุวัฒนาหมายเขาว่าตามหูอ้อลินะีหูในส่วนที่ห้าหูซึกอยู่เนี่ยนักเบาสบายบรสบายตามหูไปเรื่อย ลักษณะนี้เป็นว่าความหูซึกที่เป็นสติปัฏฐานแต่ถ้าหากหูซึกในขณะที่ถามกันหูซึกอยู่บัดโบได้ถามโบได้กระตุ้นแล้ก็ลืมที่ความหูซึกที่เป็นสัญญาสัญชาตญาณหูใดสุขนุนแต่ว่ามันมันจำตอนที่มันกระทบนะแล้วมันก็ลืมนี่คืเรื่อความหูซึกตัวที่เป็นสัญชาตญาณสุขุนมีมีนังนจะเกิด แต่ผู้ที่เจ้าบนว่านั่นมันเพอใะไส่มันจะไปรู้ได้ทางนอกแต่ตัวรู้ที่จะเอามารู้การู้ใจข้างในเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวรู้ที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยให้เป็นตัวรู้ที่เป็นปัญญาญาณก็ ค, คือมารู้ต่อเนื่องแต่ถ้ารู้ที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยมันรู้ตอนเมีย ม, มาอ่า กระทบให้แห้ ง, หงมันถึงจะรูแต่ตัวรูที่เป็นปัญญาญาณเนี่ยมันรูดได้ตลอดเวลาคือกันกระทบแห้งกระทบคอยมันรูดได้ตลอดแต่ห้องบริเตตามรูนี่คือขอ้อข้อแตกต่งางรูจะเป็นช า, าติญาณเนี่ยมันรูเองแต่ห้องบริเตตามรูมันจบไปเฉพาะนั้นเขาเรียกว่าลืมมันเป็นสัญญาแต่ความรูตัวสัญชาติญาณ ถ้าเฒ่าได้ตามเบื้งมันเลยๆนั่นตรงนั้นมันเปลี่ยนเป็นปัญญาญาณเฒ่าต้องการเอาตัวนั่นแหละมันเป็นตัวอารมณ์นะเอาตัวลู่ที่เป็นสันปัญญาญาณมื่อเป็นอารมณ์ตัวลู่ตัวนี้เอิ่นว่ามันเป็นรูปแบบปรมาณลรูปปรมัาณทั้งกายปรมัาณทั้งเวทนาปรมัาณทั้งจิตปรมาณทั้งธรรม แต่ถ้าหากว่าตัวลู่ที่มันลู่แต่ละครั้งจบไปแล้วก็ลืมไปเอิ่นตัวลู่นั้นว่าสมุติตัวสัญชาติญาณมาเปลี่ยนเป็นสมมุติตัวที่เป็นเป็นตัวเป็นสัญชาติญาณมันเอิ่นว่าสมุติว่ามันลู่แต่มันจกไปแล้วแต่ตัวลู่ที่เปลี่ยนมาเป็นสติสัมปชัญญะปัญญาที่นี้เอิ่นว่าเป็นประมัตดคือตัวลู่ที่มีแล้วตลอดเวลา แต่เข้าได้ตามลูกตัวนั้นไปเรื่อยๆนี่ถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้จะเห็นได้นี่ที่นั้นบอกความว่าบุตรตงบุตรตงมัเห็นยากกัได้แต่มันเป็นไปบุได้เพราะยังเพราะเขาอยู่กับสติที่เป็นสัญชาตญาณคือความเคยชินมาตลอดชีวิตจู่ๆจะมาเปลี่ยนเป็นตัวลูกที่เป็นปัญญาญาณ น, นี่มันบุได้เพราะยังเพราะกำลังมันบ่พ่อแต่ก่อนใน คนบ่มีไม่ขีดไฟบ่มีเล็กไฟบ่มีหินเล็กไฟบ่มีไฟฟ้าบ่มีไฟแจ็กเนาะเพื่อนก็นเอาเหตุยังไงคน ค, นคน้นปลาคนอยู่ในเขาเพิดกาวหินสองก้อนมาตีกันเนาะปิ้งปิ้งเน่ยพรตีแหง้งเราเป็นอย่างออกมาสเสกไฟเหรอเพื่อนก็นเอาสำลีอ่อนมาวางไกลๆพอตีปิ้งติ๊กติ๊ติด ก, ก, กนนอนี้ครับถามว่าไฟนี่มีอยู่ในหินบ่ในหินนี่มีไฟบ่ หินก้อนี้มีไฟบ่หินก้อนี้มีไฟบ่เนี่ยมันบอกว่าถืกได้มันบ่กมันเกิดอย่างไรก็ไฟเนี่ยเกิดสองอันนี้ตีกันมันได้เกิดตัวนี้ขึ้นมาเพราะเกิดตัวนี้ขึ้นมามันเกิดพ <mmm ิธีเสี่ยมันสติที่เป็นชัติญาเนี่ยตีปิ้งแล้วมันกระดับไปเลยนี่แต่สติที่เป็นปัญญาญาณเนี่ยตีปิ้งตัวนี้มันมีเชื่อหลับหับอยู่เนี่ยแล้วมันติดต่อไปตัวนั่นแหละที่เป็นปัญญาญาณแต่ตัวที่มันก็เกิดมาจากการทบเนี่ย แต่โทษแล้วถ้าบอมิเซียมันเนี่ยตัวดับแล้วก็รับเลย่อยเลยมามันพัฒนาเป็นไม่ขีดเนาะมันบอกพัฒนาพัฒนามาเป็นไอ้นันก่อนเป็นไม้ไผ่ก่อนยันบอกไม้ไผ่สองอันเมื่อสี่กันสี่ต้องเห็นที่ถือแล้วให้บูถือบูเป็นนี่แหละสมัยก่อนนมาไปอยู่แรกๆมาปฏิบัติแรกมันหนึกหลวงพ่อคนว่าเอาไม้ไผ่เมื่อสี่เอมันเกิดไฟ ห่อนมือนึงเขาหนึ่งคนใดเพื่นหน่อยเอาไม้ไผ่ไม้สีมันเกิดไฟนะครับก็ไปเอาไม้ไผ่มาสองอันมาพากางแล้วหลังมันเนี่ถูกันถูกันเป็นชั่วโมงมันห่อนไดยซื้อเนี่ยบ่มีไฟนะไม่ถูกยังได้มีไฟนะบ่มีเพื่ใดบอกก็เลยมือหนึ่งมาพ่อหลวงพ่อบุญทำถามหลวงพ่อบุญว่าเอาสีไฟเลยมันเอาไม้ไผ่มาสีกันมันเกิดไฟเพื่นเทศยังไงเพื่นก็เลยเอาไม้ไผ่นำมาพาอันหนึ่ง เพื่อนกะเลาบางๆมามาตังแล้วก็เห็ดลักเสียบมอไทยอันนึงเป็นเห็ดเป็นบางๆมันมีดที่นะแต่อันนึงมันเอาหลังมันขึ้นยิ่งเสียหลังขึ้นทีแต่กระเจาะหลังมันนี่ให้ทะลุทองมันเลยแล้วขุดติวมันขุดทองมันน่ะให้เป็นฝอยเอาใส่ถ่าไอ้องลงมันเลย แล้วก็บากนี่เป็นหูนี่น้อยเนี่ยปากจนเป็นหูทุลุแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวที่เป็นคมมีเนี่ยตั้งเสียบตรงขีดมีแต่ตั้งแล้วตัวที่เปนปางเนี่ยจำเส้นนี่แล้วก็ถูว่ะเนี่ถแูแห้งเขาแหงเขานี่ค้นมันเกิดมันเสียดสีแห้งเนาะมันกระเบิดใส่ไอ้ไอ้ฝ อ, อยใหม่ที่เป็นขูดไว้เนี่ยคนกับเจ้าพันันอัน น, นี้ได้มันเปลีป่ ว่าเฮ็ดโบถึงนี่เฮ็ดมือมือก็บรเป็นเนี่ยบัดเพลเฮ็ดเข้าเดี๋ยวมันเป็นต้องเฮ็ดเป็นนั่นเลยถามว่าไม่ไัยเนี่ยอยู่ฝักนี่หรือฝักนี้ถ้าเอาไม่ไพยมาถูกกันเมื่อกีเกิดความหอนด้วแต่เป็นยังโบเป็นอย่างเป็นอย่งคือโบเป็นไฟนี่ความหอนมันโบพ่อทิ่เฮ็ดยังแต่ให้ความหอนมันพ่อเนี่ยจนกระทั่งมันเกิดประกายไฟคือกันตัวกายกับใจที่มันสิ่งที่มันกระทบรูปรูปเสียงคิดโดสัมผัส ตาหูจะสัมผัสกันเน่ยมันเกิดหูเอะแต่เป็นอยังมันพอเกิดความหูโตแบบความแห้งมันบพอบัดเอาสติที่เขาตั้งใจเฮ็ดเนี่ยมันก็เอาสองอันนี่มาเฮ็ดให้มันถือมัถูกันความหูมันพ่อมันติดเป็นตัวหู้คือไฟคือญาณนั่นแหละญาณปัญญาเกิดคือไฟที่มันเกิดเน่ยมาถูกันนะก็คือเข้ามาทําความเพียนแบบนี้เพียนคือหมายเขาว่าเอาเอาไม้สองอันเนี่ยมาถูกัน เพี้ยนแบบสีไฟในนี่กลายเป็นตัวห่วบ่อกระบอแมนสิ่งที่มกระทบกลายเป็นตัวหู้บ่อกระบอแมนแต่มันเกิดตอนกระทบเนะี่ยแต่กระทบเนี่เข้าใช้มีตัวหู้งซึกเนี่ยนําเบิงมันบ่อเบิงที่มันกระทบแล้วเบิงต่อไปเนี่ยสมมุติเขานั่งเนี่ยกายเข้ากระทบพื้นมันบ่อละสองงานเด็กกายกระทบพื้นกระทบแล้วเป็ น, นยังไดแตนักมันบ่อ นักขึ้นเรื่อยๆนักนี่หมายว่ามันห้อนเลยเด้มันห่อนล่ะที่นี่ตัวห่อนตัวนี้เขาก็เข้าไปเบิ้องบนเนี่ยเบิ้งตามเบิ้งตัวนักตัวนั้น่ะเบิ้งอาการมันเบิ้งไปเบื้งไปการที่ชีทเขาก็ไปเบื้องตัวนั้นน่ะมันเกิดยานตัวลูกมันเกิดไฟอมันเกิดไฟเวลาเขาพิกปั๊บตัวนักหายไปเขาก็ได้หัวหู้อีกหัวมันเบาตัวหู้มันก็เกิดนักเกิดเบานักเบานักเบาห้อน บ่ห่อนหอบ่ห่อ น, นสลับกันไปเรืๆๆๆๆๆ่อยๆอย่างนี้เมือก็เกิดไฟแต่ตัวนี้เขาเออเกิดย่านปัญญาตัวรุ่นก็นพัฒนาขึ้นเลยล่ะเสื่อมันเองแล้วแต่เขาจะให้มัดดิ้หน่อยที่หลายถ้าหากว่าเขามีเสื่อหลายไฟยเกิดดิ้เป็นกองหมดละต่อมาพัฒนาต่อมาบ่าใส่ไม่ไพ่แล้วมันใส่ยังใส่หัไม่ขีดเห็นวะล่ะหัไม่ขีดทำมาในหัวไม่ขีดมีไฟวะก็บ่มีในขางสองไม่ขีดไฟมีไฟวะก็บ่มีมันเกิดย่ๆๆมไร เกิดที่มันกระทบกันหรือเปลาคดคพลอยเกิดบ่ก็บ่เกิดกระทบแหงก็บ่เกิดหัวรุดไปเลยนกระทบแห้งเงี้บ่มึงเทียแต่หัวมันซุ่มเลยติดบ่ก็บ่ติดถ้าข้างมันซุ่มติดบ่ก็บ่ติดขึ้นกันเด๊ดังนั้นมันจะพอดีของมันเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับข่างไม่ขีดไฟ รูปเสียงกินรสสัมผัสเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่มากระทบชิดออกไปนี่สองอันอื่นอายตนาภายในคือตาหูจมูกหรกายใจอายตนาภายนอกคือสิ่งที่มากระทบรูปเสียงกินรูปเสียงกิ น, นรสสัมผัสมากระทบนี่อายุธนาภายนอกมากระทบกันภายนอกภายในมันจะเกิดประกายไฟคือเกิดตัวรูอืเขาขีดปั๊บเนี่ยมันก็นเซื่อขึ้นมา แล้วมันกระดับมันบละแต่ถ้ามันบอเอาไปติดอย่างอื่นเนี่ยไฟมันจะมีต่อไปบอมุมี้มั น, มมนบละเอาตรงพิธีใส่อย่างบนชี้ใจแต่เกี่ยงบอใส่เทีนยนไขบอใส่เสี้ยวมันบอไฟก็ลุกต่อไปตัวที่ขีดแล้วมันเกิดไฟเอื่นว่าสติแบบตัวลูกเกิดสัญญาญาณเกิดแล้วมันกระดับแต่เราอยากจะให้เป็นปัญญาญาณเนี่ะต้องเตรียม เตรียมเชื่อมันไว้จะเตรียมตะเกียง บ, อยงบ่อเตรียมเทียนไขบ่อเตรียมเตาพายุบ่อเตรียมสเก็ตเตรียมน้ํามันอย่างก็แล้วแต่ลอเอาไว้พอคิดใ น, นที่กับที่ตัวนี้ตัวนั้นเขาก็ใส่ดอไปตัวเชื่อเขาล่องเร้าไปเอิญว่าเป็นปัญญาญานตัวที่มันเกิดคิดเนี่เอิญว่าวันนี้เป็นสัญชาตญาณมันทํางานร่วมกันตัวรูที่มานกระทบเนี่ยมันสัญชาตญาณเกิดแล้วแต่ตัวเขาตามรูต่อไปเนี่ยนะ นั่นแหะตัวนั้นคือเสื่อของมันเอินว่าสัมปัญญาอ่าสัมผัสยะเดีนี้เขาไปตอเมื่อกี้จะเป็นสมาธิเมื่อกี้จะเป็นปัญญาลูกต่อไปเพราะนั้นมปนอย่างเขาถึงมานังเฮ็ดนี่ใช่เพื่อจุดประกายให้มันห้อนอ่าจุดตัวสติเนี่ยให้มันห้อนตัวห้อนตัวนั้นคือคู่ตัวเย็นหล่อนอ่อนแข็งเข็งถึงในร่างกายเนี่ยมันตัวประกายเหเขาก็ใส่ตัว ตามรูดตามเบิงตามเห็นตามพิจนาไปเรื่อยๆเมื่อกีตีสไปเรื่อยๆมันก็้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวรูดตอนนั้นพอใหญ่ขึ้นแล้วมันอกี้เอากายกับใจนั้นไปอยู่น้ำกันได้แต่เขามันมัไปอยู่น้ำกันเดินะฮะโบเห็นด้พราะอย่างพราะบมีไฟโบมีย่านมันมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไออันนี้เกิดแล้วมันรูต่อไปพอลูแล้วก็มาจักรรูอันแรกรูกายรูดใจคือเออว่ารูดหลุมรูน้ําความรู้อันแรงเนี่ยนะ อ้อันนี้กายกายนมันทำมาลู่ตอนแรกนี่กายมันสบายบีสบายเขาจะเห็นเด้ที่แล้วมาหูแจักบ่กอู้แต่มันหูแล้วมันลืมนะอ่าเพราะมันลืมก็ไปหาทุกสกายของเร่หาถูกสรรพเนื้อแต่พอมาลูก่กายลู่ใจนี่มันเดีลดทุกุ้งลดทุกุ้งอู้กายกับใจนี่มันไปเรื่องทุกดีดะมันก็ลืมลืม เหล่มเบิงกายเบิงใจเริ่มลดความทุกข์ของกายของใจลงเริ่มเอาความห้อนออกเริ่มเอาความคืดออกอ๋อความคืดได้มันหลังเฮ็ดให้ากายห้อนเฮ็ดให้ใจห่อนนี่มันคมขืดนะถ้าสมุดเราห่อนพวกขืดกายใจมันก็บ่มีไฟนะแต่ว่าความคืดมีสองอย่างความขืดให้ใจเย็นกับความขืดให้ใจห้อ น, นไฟเนี่ยมันมีสองคุณภาพมันมีสองอย่าง ขี้เมี่ยงไงยมปารธนาอคุณภาพของไฟมีสองอย่างคือเมี่ยงกับอย่า ง, างตัวตัวที่เป็นความห้อนกับเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งมันบอกระตัวที่เป็นแสงสว่างก็เป็นประโยชน์แนวหนึง่งแต่ถ้าสมมติถ้าเ่าได้เซตอัพเช่นก่อนนี่ยตัวห่อนกับตัวสวา่างนี่นจะเป็นประโยชน์บอกระไรความบวดใจระบบมันกันอ่ะนะ เป็นอันตรายมันบอไฟฟ้าเข้ามาถ้าบดได้สัดเจนระบบเนี่ยไปแตะบดได้เห็นบอตัวเต็ระบบพิษเห็นบ่เมื่อกี้ช็อตไดร์จะไม่ช็อตเท่าตดรอ่าไฟไม่เนี่ยเท่าบดได้นั่นคือกันนี่เข้ามาปฏิบัติกับประธานเพื่อมาเสร็จระบบให้ความหูในตัวเขาเนี่ยความหูคือให้ตัวตัวรูเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นไฟ หมันจะเป็นความหอนก็ได้สองจะเป็นแสงสว่างแต่เหตุเป็นความหอนนั่นหมายความว่าบริสุทธิระบบมันตัวหู้ในร่างกายมันเปลี่ยนเป็นตัวขึ้นแต่ว่าหนื่องจากความบริสุทธิระบบมันตัวขึ้นไม่ได้กลายเป็นอยังเป็นไฟคือราคะเป็นไฟคือโทสะเป็นไฟคือโมหะไฟสามกองหรือไม่เขาตลอดไม่เดือดเดือดเขาชาดาดวุ่นเนี่ยไฟคือราคะไฟคือโทสะไหม่คือบุหันไม่เขาว่าตลอดเลย ที่เห็ุอยงเดีเขาจะเปลี่ยนไฟสามกล่องเนี่ยให้มันเป็นแสงสว่างเหมือนนี่จริงๆม Moon, ันก็คือเป็นพลังฮอน่ะมันบอกแต่แสงสว่างเนี่ยแต่มื่อเซตระบบแล้วมันจะเป็นแสงสว่างได้แต่พอเซตระบบมันก็บ่กเป็นนี่มันจะเป็นฮอนเพลินกันเลยเมาเปลี่ยนเหมนี่เปลี่ยนอย่างไรเปลี่ยนตัวมาพัฒนาตัวสติสัญชาตญาณให้เป็นสัมปชัญญะให้เป็นสมาธิแล้วให้เป็นปัญญาดิ ปฏิบัติเนี่จะมาเปลี่ยนไอ้ความแต่มันกระทบ ป, ปั้งนี่มันเป็นความห่อนโดยสัญชาต ญ, ญานนะเป็นความห่อนแต่ถ้าบุรีมาพัฒนาเนี่ยไอ้ความห่อนเดีวนี้จะเปลี่ยนเป็นสมญาสมัมปัญญาบุรีไมันจะไปเป็นอย่างเป็นราคาทุศามุฮัไปก็จะเป็นไฟบ่เนี่ยไฟเดี๋ยวนี้ก็ยังไหมเข้าไปตลอดพบตลอดชาติตลอดลเกิดอีกแ ล, ล้วตายอีกตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นไม่แล้วไม่อีกเพราะมัน สัมมัสทั้งหลายก็เลยเวียนไหวในวัฏสงสารด้วยอำนาจของความหอนคือไฟราคาโทสะโมหะโมโหทุสูนไฟละฟาล า, ขาคขิไฟคือราคาเวลาทาสว์โทสะคีไฟคือโทสะโมหคีไฟคือโมหะเนี่ยมันใหม่เขามาจักครบจักศาสตร์หรอแต่เขาจับมันบอน่อใดเขาก็เลยบอ่อเคสเขาเลยบอ่บอเคสบ่อยานมันเพราะเขาจิ้วบ่อใดต่างจากดบุบติยาพุทธสุลูโอ้มันตัวนีทั้งคืเหตุให้เกิด เพือนอุท่านนะมันนะอุท่านไว้อย่างไรที่เาสวดซื่มื่อจาได้ว่าผู้ได้เจ้าเพ่นเพื่นตื่นเน่แล้วเพ่อนอุท่านเ น, นเาาี่ยวอเนกชาติสร้างสารังสันาีสังอนเนกีสัางเนาะเมื่อไม่เข้าบม่มีสติเนี่เข้าได้เบียดไวแต่เกิดมาจนจำพบชนชาตบไเนียบัด น, นี้เขาเปเจ้าผู้จักเราไอตัวที่มาสร้างไอไฟเขานี่คือความอยากเพื่นวาดูก่อนจะหาผู้สร้างพบ เหตุเท่าเกิดทุกภพกทุกชาติเท่าเป็นทุกข์ขนาดพระเจ้านี่ยแหลออะพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยคือตัดหาคือความอยากความอยากมันคือไฟเป็นหมดละไฟคือราคะเนี่ยมันเห็ุให้เท่าตาเวียนไหวเตะเกิดบัด น, นี้กูจักมึงแล้วแนแต่ว่าพอสาเท่าเวียนไหกูจักมึงแล้วมึงจะไม่เห็นกูบดายอีกเป็นอยังนี้กูจะเพราะได้มามีสติเหมนนี่ตอนที่พ้นบไดาสติสติตัวเนี่ยมันพัฒนาเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นวิมุตต์ไปตามลำดับ ป็นมีปัสนายันไปเริ่มต้นจากตัวน้อยๆตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นดีเขามาจัดคอดปฏิบัติเป้าหมายเพื่อให้มันสร้างตัวลู่ตัวนี้เท่านั้นเพื่อให้มันมาท่านตัวตัวสัญชาตญาณเปลี่ยนตัวสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณถ้าเปลี่ยนตัวนี้บริเณเจ้ากระทุกต่อไปถึงเจ้าปฏิบัติธรรมกระทำพอเปลี่ยนบรได้เนีผู้ปฏิบัติธรรมโมเมนน่อยเด้แล้วพลทุกข์ขึอนกันเมื่อไหร่บ่ ก็บบิมนบน่อยคนออย น, น, น, นั้นบอกไงมันเปลียปล่ยนบวมเหมือนกันนะมันเปลี่ยนบาคนเปลี่ยนได้สิบเปอร์เนต์บนเปลียนส้าซ็นในที่นี้ถ้าคนใดเปลี่ยนได้ถึงยี่สิบห้าเปเซคนนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนต่อไปได้ต้องได้มาตรเานยี่ส้า็นตยี่ห้าเปอร์ในเปลี่ย น, นได้คนใดเปลี่ยนในี่ใส่จะของได้ถึงยสิบห้าเปนในร้อยเพอรนว่าเป็นพระสดบไดัได้แล้วผู้ดเปลี่ยนได้ถึงห้าสิเปอร์ซน เป็นภาษีแกทาคามีผู้ใดเปลี่ยนได้แปดเจ็ดสิบถึงแปดสิบอร์เซเป็นอนาคามีผู้ใดเป็นร้อยเปอร์ซ็นเป็นพระรหันต์บุญเดชเพราะฉะนั้นบอมเนวายเจวีดีบัติเล่ามันจะเปลี่ยนในเรื่องได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ความเพี้ยนแล้วแต่ศรัทธาของมูผบดผู้ปฏิบัติถ้ามีศรัทธาแหงมีความเพี้ยนแห่งกว่าเปลี่ยนได้หลายเขาหลายเข้าไล่เข้าตลอดเวลาหลายบุคคลพบศาสตร์ขับกันเขามีแต่สั่งสมความห้อนเลยแต่เำาห้เปลี่ยนเป็นความเย็น ถ้าเปลี่ยนคมเคยชินได้อยู่50เซตนเขาเย็นได้25เปอร์ซถ้าเปลี่ยนได้50เขาก็เย็นได้50เปอร์เซ็นตเปลี่ยนได้80เย็นได้ถึง80เปอรเลี่ยนได้ลอยก็เป็นพระรหันต์เย็นลอยเอเซนี้ลนีพานแปลว่าเย็นนี่วะล่ะแปลว่าดับแปลว่าเย็นสิเดนี่พานแปลว่าตันนั้นเพราะนั้นพระโสดาบันไี่นี่พานได้25เซนิีพานได้5เปร์ซ็นตลดได้สมเรื่องนนึ่ลดด้วย ความถือตัวถือตนเจ้าของความสําคัญมันหมายถเจ้าของบ่มีล่ะลดหน่อยลงสองบรสงใสเรื่องพระพุทธวัฒน์บริสงบ่มีเหรอว่าพระพุทธวัฒนมสืบสงที่แท้จริงคืออย่างนั้นนะบ่มีอย่างที่เขาเข้าใจได้พระพุทธคือทองคำพระธรรมคือไปร้านบริสงคือลูกชาวาในบ่มีนั่นเองเด้เพื่อนเข้าใจพูดพระธรรมบริสงอีกแบบหนึ่งเด้เพื่นบรสงใสเรื่องนี้สามเพื่อนบทบทีดดี บทิดพิธีลีดตองบทไปติดสมมุดเพื่นลดพวกนั้นใดนะเพิ่นบได้อภ า, าไว้ทั้งนอกแล้วนี่ยเพิ่นอนอภาไว้ทั้งในมุดพระโสดาบันนะผู้โทรผู้รู้ผู้ถึงผู้เบิกบานนั้นได้แวพระพูดภแบบายใน <c oughs> <c oughs> พระธรรมเป็อย่างพระธรรมคือความจริงไงที่พระพุทธเจา้าคือคำสอนพุทธเจา้าบอกเขาโมมน์ใบล้านแต่เขาพระน่นนึง คนนั้นต้องเห็นโดยตั ว, วเองสองเกิดได้ตละเวลาพอทำสามพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของเห็นอย่างไดซีให้เบิงใดฉันเห็นฉันเชื่อแหละยืนยันได้นะซีนมเขามาใสตัวได้หูยังถือพิษแล้วสามารถเอามาเห็ดได้นะคนส่วนใหญ่หูเด้แต่มันมันเห็ดนตหัได หูมันพิดอยู่แต่กูก็ยังเห็ดคือนาหูมันถูกอยู่แต่ก็เห็ดบัวลาือส่นั้นนี่ก็บ่มีออปนาจิโกปัจจตังเวทิถ้าผู้ิยู่หิหูไผ่หูมันสอนใบัวลอเพาทำวิรีขอหูมันเดที่หลวงพอ่อในวาวในบแมนพระท่าเนธแต่ว่าเป็นคาชีบึงจึงชีเดชจะเอาเอาอันนี้เดชพิษ ที่เจ้าเอาออกนี่เจ้าจะเอาเองหด้อว่ไปเอาบวบบริยิบให้เจ้าได้บ้าเนี้ยมีพระธรรมมีหกความใหม่ยสีพระสงฆ์ก็คือกายกับใจมาสังฆะกันแต่เก่านี้กายอยู่บนหนึ่งใจอยู่บนหนึ่งเด้ในพระสงฆ์โดยใงพวกอาตมาคนผภูมิภูมิพระเหลืองที่บอกมันพระสงฆ์โดยปรมัติตแต่พระสงฆ์โดยสมมุติสมมุดว่เป็นพระสงฆ์ที่ว่าเหตุไดแข็งสันพระสงฆ์ก็มีสองพวกพวกที่เป็นสมมุดที่สงก็เป็นอริยสงฆ์กันหมดละ สมุทรสงกรอย่างเที่ยวเห็นนะ่ะลูกชาวบ้านน้ำมังคองผานี่ก็เป็นสมมุทรพระสงฆ์เลยแต่ว่าถ้าคนผู้นัน้นใดปฏิบ μ, ัติถ้ำน้ำถ้ำดำดำเป็นสุ ป, ปฏิปปิโนเป็นอุชุ ป, ปฏิปปิโนเป็นญะยะปิปปิเป็นสามิจี ป, ปฏิปปิโนในเจ้าของใดอีหลินตัวนั้นก็เป็นพระอรีย์สง์ผู้นั้นก็จะบอกความจริงกเขาแต่ว่าผู้คนหอมพมผ้าเหลืองแล้วบ่มีคุณบสัสเซีย่างน่ะผู้นั้นเขาก็เป็นสมมุติสง์ จจกว่า ด, ดีว่าให้ก็แล้วแต่ดาวไพตาวมันเหรอวันนี้ดาวไพตาวมันนี่นี่นี่คือพระพุทธพระทัพอสงเท้าเชื่อถือโมเมนพุทธพระสงฆ์ที่ที่วามากเขาพูดบมเมนทองคำพระธรรมโมเมนใบลานพระสงฆ์โมเมนต์ดูลานชาวบ้านเนี่ยเขาพูดคือตัวลูกที่เขาสามารถรักษาไว้ในกายใน ใ, นใจได้เพราะธรรมคือทํากายว่าจะให้มีอให้มีความจริงพระสงฆ์ก็คือทํากายทําใจให้เป็นอันเดียวกัน เอามาสังาคากันแต่ก้ไกายกับใจนี่มันบมสังคารโมสม า, สาคี้กันนี่เป็นโมมันไปคุณระท่างกายอยู่ดีใจคิดไปบนโดยวางแผนกูจะเห็นอย่างนอโมนี่อือ่นกุยเอาอยัางไดน้อเนี่ยคิดไปลืมเจ้าของเลยวันนี้นะแต่เพืน่นเราให้คิดได้ให้รู้ตัวว่าคิดเด้เออตอนนี้กำลังคิดเรื่องนี้แหละคิดใช้ซะสามสิเปอร์เซนต์เจ็สิเอร์ซี่เจ้าของหูเมียว่าคิดแต่ถ้าคิดแบบหูโบหูเมียเนี่ยเป็นสังคาบ่าได้ แต่ผู้ใดคิด hit, แต่หูมีเา่าคิดอยู่เหมือนเท่ามีไฟเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มันมืดนเนาะฮะไปกดไฟแป๊บมันบ่เห็นเบี้ยใ็จแล้วฮะหมดปิดมีไหมเขาว่าห้มีเขาใส่เป็นอโอ้ทีกี้ไอเปิดแกดเอาไว้เห็นอย่างอลืมมนนานั่งไงนึกขึ้นได้เอาไฟไหม่ปนะุ่นบ่มๆเน่ะแกดลืมปิดไฟไหม่ ในขั้วอันนี้หมายความว่าเข้าเข้าบราิษัไอไก่กับใจบริยูน้ากันเพนราะะมันก็ลืมลืมแล้วก็เกิดปัญหาได้ป่ะนะไก่กับใจมันเกิดช่องวางกันอืมดังนั้นอันนี้คือเข้าดับเย็ยนได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเห r สามเรื่องเนี่ยหนึ่งเบอรถือตรงถือโตเจ้าของสองบริษัทสายลึงพรรัฒนาไก่สามพอไป ย, ยึด พิธีรี้รองอดือถือดีส ม, มุิปรามัดหนึ่งต่างต่างก็เข้าใจใส่บ่บ่ไปนั่นบ่ไปให้ความสาคัญนะบ่ให้ความสาคัญแต่ใส่มันนะดังนั้นอันนี้บตท่นรถรถานลดราคาทูซามูฮ่าสุตรบัตรยังลดราคาทูซามูาบท่านลยเนี่ย ร, ยราาู้สาเรื่องนั้นซื้อไดนะ้แต่พอมาสกิทาครม้นี้เหุสามเรื่องนั้นได้ล้วก็ลดราคาทูซมหฮลดไฟลงได้เลยเย็ยนลงได้ ดังนันตัวลูที่เขาเห็ดในน้อยเนี่ยโอ้เวียนธรรมดาเนี่ยไดประกาศสําคัญเขาจะโค้นเห็ดใดโดนปนใดนี่อันนี้คือเจ้าพิสูจน์ละอ่าเห็ดในน้อยหนึ่งโอ้ขี้เกียจที่คานเห็ดใน้หนึ่งจะคิดเรื่องนั้นเห็ดได้หนึ่งก็ไปหันไปนี่โอ้ยากเด้อเนี่ยเพราะอุออปตอนนึ่งเหมือนกับไอ้สีไฟนี่เด้ถ้าสีจนว่าถ้าไฟบวกลุ้นควนขึ้นเขาเศร้าจะกันนี่บวกล่เด้สีไปทําทานหอนก็นเศ้า สีธรรมชาตทีต่ตดกัเศร้าองนี้โอ้สีไปเป็นหลายมื อ, อบทติดบัดสีแต่ถ้ามันบทเศร้ามันบวขึ้นเป็นไฟโดยบทเศ้าอย่างนี้นะแต่เห็นขึ้นไฟบุ่มๆมันให้เศ้านะ่ะมันจะติดไฟต่อไปความเพียรนึกกันทางเหตุจนว่ากายใจมันมันเกิดความอลรมูขึ้นมาระว่างกายกใจชัดจินเขาค่อยต่อใสหลงรูต่อๆไปนะเพราะนั้นความหมายว่าเป็นอย่างเไาถึงมัหยก เกิดทำว่าเอาไปนยังคือบนนั่งลมหายใจบนนั่งสงบนับตาเอาเป็นอยังคือบอคำนดพูดโธสมาหังยุบหน่อพองหนอยอย่างเพ่นเห็ดหลวงพ่อเทียนพูดว่าเพื่นเห็ดมันมดแล้วไฟมันบ่พ่อเพื่นว่าความห่อนมันบ่พ่อเพื่อนว่าบัดมาเติมน่นนี้เข้าไปอีกนิดนึง่อนว่าความห่อนมันพ่อเพื่อนเลยอ่กับมันมาเขาบริทิมได้พวกลมหายใจเข้าบริทิมแต่ว่ามาติมตัวนี้เข้าไปอีกเ่นว่าติมตัวนี้เข้าไป มันกำลังไฟมฤพ่อเหรอเหตุที่เขาขายันเหตุสม่วโมมงเก้วไปนั่งรับตาลมหมายใจทูมัเนี่ยนั่งสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจิตรับรู้กะกเลืล่อนรู้ใจได้ตลอดได้บ่นั่งติงอยู่ย บ, บ่บ่ติงเลยนั่งเช้ชั่วโมงน่ะลองเหตุได้บ่นังบ่ติงเลยหน่ะชั่วโมงน่ะย่าโยม ภาธนาฮะลองเห็ุได้บึงดูเดี๋ยวนี้โบได้เลยอ๋อเดี๋ยวนี้โบได้ไปซื้าเห็ดเต้นเดิมเห็ดได้เนีก็โบเห็นเป็ดเนี่ยมันบบต่อเนึ่งสาหรับพอเขาไปเห็ุจังซันได้เขาเคยปฏิบัติมาแล้วนะแต่ที่หลวงพ่อไหว้หมายถึงว่าผู้ไม่อิเลียนะผู้ไม่อิลโบได้แต่ว่าผู้ที่เคยแล้วบางทีเขานั่งได้สามสี่ชั่วโมงอยู่ี่นะอ่า ทา้งยากแต่ว่าที่นี่เพูนบอกว่าเฮ็ดให้ตัวเนื่องเป็นลูกโซ่มดมือพ่นเด็ตลอดเวลาโอเคได้สอง ส, องสองชั่วโมงนี้ ก, บกไบวาแล้วมันบอเดี๋ยวก็เศ้าไปคนเดียวหนิแต่ถ้าหากว่ามานั่งเฮ็ดแบบเฮาเฮ็ดนี่ยโบแมนว่าจะนั่งเฮ็ดอย่างที่ตลอดเวลาเด็เฮ็ดได้เท่าที่มันมีเวลาแต่ท่านหมายถึงว่าความตัวเนื่องหมายถึงความตัวเนื่องตัวลูกเมียลูกซึก โได้ความโตหนึ่งแบบการกระทําความโตหนึ่งการกระท่ำนี่มันโตนึงบุได้หรอกนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงปวดนักบวดเบามากนั่งโตบุได้มันบ่ก็ฟ้าลู่ขึ้นไปเข้าห้องน้ำแทะนั่งไปสักพักนั้นเอาผู้นั้นเมื่ออื่นไปที่ไม่แล้วมันยิ่งน้อยอกว่าไปแล้วนั่งไปสักพักหนึ่งผู้ใดมันนั่งบอกคุยกับนางงูกไปแล้วหายไปดละไอ้ตัวลู่นั่นนะเห็นบ่มันมีอุปยซักตลอด พราะฉะนั man, like ้นความตัวหนึ่งในรูปแบบนี้ยากยากนางหูมีไผกันนี่ยคือเท่าไผเออคือเท่าไผ่ละไปลดไปเลยเห็นบอกมันไปย่ำไถ่เห็นบอกนี่ที่มันยากยากพวกนั้นแต่ว่าความตัวหนึ่งที่เพูนหมายถึงความตัวหนึ่งของความหูสึกตัวประมวลตัวหนึ่งของการกระทำเรื่องหนึ่งการกระทำมันขึ้นเหตุปัจจัยแล้วแต่จะอํานวยได้ซ้ำได้แต่ตัวหูซึกตัวนี้มีแต่ลอเวลาเห็นบอกนี่แต่เขาจะเอา สติสัมปชัญญะเข้าไปรับรู้ต่อความรู้ที่มีอยู่แล้วให้มันตัวหนึ่งได้อย่างไรเพื่อนหมายถึงตัวนั้นเพื่อนบรได้หมายถึงว่าเจ้าจะต้องมานั่งมาเหตุดูแบบตลอดเวลาโบแมนตัวนั้นเป็นตัวซอยให้ตัวนี้มันมีกําลังสื่อแต่เมื่อตัวหูมีกําลังแล้วเขาจะประคองตัวหู้ได้ตลอดเวลาได้อย่างไรตัวนี้สําคัญเวล า, ดาลด มันเป็นอย่งไมันดได้แนวเวลาค้อปแล้วเงืเป็นอย่างตอนลดไปจะิสตีตอนลดไปไปขแนวอื่นนั่นความจริงมันเป็นอย่างที่คือสตีนี่มันมีเกิดก็ไม่ดับตัวรูนี่มันเกิดแล้วมันกระดับมันบ่แต่ว่าถ้าเขาเกิดแล้วบ่ดับนี่มันพิษปกติมันหลงก็บมันต้องรู แต่ว่าเหตุยังไดงลูกก็หลวงเนี่ยให้มันกินเวลาเท้อๆกันเจ้าลูกหนึ่งนาทีหลวงไปหนึ่งนาทีก็ให้ลูกท่านว่าหลวงไปกลไ็ลูกไหมมันก็ดับไปเพราะนั้นสติมันก็ต้องเป็นไปอำนาจของกฎของธรรมชาติเพื่อเกิดแล้วก็ดับมันเป็นกฎของมันมันต้องลืมถ้าบบลืมเลยตัวลูกก็โบเกิดเด้ไฟนี่มัน สัพักนะึงเขาก็ไปดับมาแล้วแต่เห็ุยังใดเขาถึงเข้าสู่รบปว่าทำ ใ, ให้เกิดให้ดับได้สติคือกันบมเมนให้รู้ตลอดเวลาให้รู้ตลอดเวลาที่บถึงลรอไฟแล้วเจ้าต้องเปิดโดยตลอดเวลานโดยที่บัต้องไปดับในมันบัได้หรอมันบัวมันบุดเป็นดังนั้นการรู้แล้วก็คิดไปเพื่อคิดไปเป็นธรรมดาแต่ว่าในช่วงที่มันคิดไปหูท่านบอกโอตอนนี้คิดแล้วเด้ ตัว น, นี้สำคัญเพินเ่นว่าลูท่อลงเท่าใดให้ลูกเท่านั้นเกิดเท่าใดให้ดับเท่านั้นเกิดเท่าใดให้ตายเท่านั้นในโลกนี้ถ้ามันไม่ได้เกิดเรปตายไปยังไกยู่ไรุมีกาังใจอยู่นปดอเ่ตั้งเอาคักๆละไปรุดจะได้เอาางใจฟังเาไปมอมาอกไปลยได้อว่าตั้งใจลูไหมตั้งใจรู้ไหมอ่าตั้งใจผสมมวิมันไปห้านาทีเขาก็ตั้งใจลู้อีกห้านาที สักพักมันก็ไปอีกเม็นเวละเขาก็ตั้งใช้รู่ไหมถ้ามันหลงหนึ่งนาทีก็ต้องให้ลู่หนึ่งนาทีถ้าหลงสองนาทีก็ให้ลู่สองนาทีไปเรื่อยๆแต่ประการสําคัญนี่มันหลงไปห้านาทีเฮาลู่แค่นาทีเดียวนี่อีกสี่นาทีเนี่ยเอาอะไรเลยวได้นะ่ะอันนั้นเสียมันไม่สมดุลกันสมนนสมติเขาไปข่าวเจ้าซื้อมาลอยหนึ่งยังหน่วยต้องไปหากําไรมันได้ลอยหนึ่งให้ได้มันจะมีกําไรเนาะ แต่ถ้าหากว่าซื้อมาลอยนึกไปขายได้ห้าสิบาทเนี่เจ้าก็รูดไปห้าสิบาทเนี่ยเนี่ยนี้เขาลงไปหนึ่งนาทีแต่ว่าเขาลูกแค่ครึ่งนาทีนี่มันหายไปครึ่งนาทีเดยเพราะว่าตามรักแล้วมันลูแล้วมันก็ต้องหลงรูแล้วก็ลืมคิดแล้วมันก็ลูหรืมันก็ต้องคิดสลับกันเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ลูเดี๋วก็คิดแต่ให้ลูท่านตอนนี้รู้สึกตัวเอามันคิดไปก็ลูอีกเออมันคิดไป ก็ให้รูดท่านพราะรูดท่านมันกระดับมันบ่เดี๋ยวสักพักมันก็คิดมาอีกแล้วก็ลูดมันมาอีกเอาอยู่ซิสิแหละแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกให้เสร็จติเข้มแข็งให้สมรยะเข้มข้นน่ยมันไปลูดบทท่านตอนที่มันหลงรูดบทท่านมันคิดไปปั๊บแต่รูดแล้วมันรูดบัดรูดเนี่ยมันกะบอแมวว่าจะไปลูดสักลงเท่าใดไปลูดเท่านั้นมันเป็นรูดรูดน้อยเดียวนึงแต่บัดลงไปหลายมันเลยขาด ขาดตรงคนว่าดังนั้นเจ้าสี่มันถึงจะได้ต้องต้องต้องหลงเป็นธรรมดารู้แล้วก็หลงรู้ลงประการสําคัญให้ท่านทุกครั้งที่มันคิดไปพอให้มันคิดขอวงพอเทียนวะแห่งคิดแห่งรู้เป็นว่าถ้าบุคิดเข า, า, าจะรู้ได้อย่างไรคือรู้ท่านนนะ่ะคําว่ารู้นี่นะสังเกตว่าใบขึ้นไว้ขึ้นอ่านั่นนะแสดงวันท่านขึ้นเป็นบ่าถ้ามันบุคิด ไอความเลวของความความรูดูโตกับบอม่าได้แม่นบอกนักมวยเนี่ยมันขึ้นศกผู้เดียวมันมันไดบอกมันต้องมีคู่ศกได้แม่นบอกแต่ศกแล้วมันก็จะมันจะต้องมีผู้หนึ่งอะแพ้ผู้นึงชนะอันบอกและแต่เสมอกันนี่มีหน่อยได้แม่นบอกคือกันพวกกันสองคนเนี่ยไอไอตัวลูกกับตัวหลวงน่ยมันเป็นคู่เอกได้ชกกันมาตลอดที่นี่เขาอย่าให้ผู้ใดชนะแหละเขาอยากจะให้ตูวลูกชนะ ให้ตูหลงมันแพ่เนี่ยแต่ความจริงแล้วมันจะต้องให้มันเสมอกันทั้งลูงทั้งหลวงเลยนะอ่าให้มันไม่เสมอกันเกิดเท่าใดดับเท่านั้นเพราะไม่เสมอกัปรปั๊บยังขั้วไฟเนวันนี้สองขั้วขั้วเกิดขั้วดับเนาะโพสติโพกับในคดีโพเนี่ยข้อเกิดก็ดับมีจํานวนเท่ากันมันถึงเกิดแสงสว่างเลยแต่ถ้าเกิดหลายกว่าดับหรือดับหลายกว่าเกิดเนี่ยไฟนี่บริสเดียรแล้วมันบอ มันกรพิบเละเรื่องแค่กระดับเลยมันบทชอกันความทีมมันน่ะขึะ้นตัวหูเขาที่จะจะจะสว่างตลอดเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวลูกกับตัวลงเนี่ยต้องต้องทันกันทุกครั้งที่ตัวลูกตัวลงทันกันปั๊บนี่มันจะเกิดตัวลูกขึ้นมาถ้าตัวลูกหลายก่าตัวลงหรือตัวลงหลายตัวลูกความลูกมัเกิ ด, ดอีกเออไปแต่คิดเด้ต้องออกไปฟิจินาลองเบิร์นเลย พี่จะน่าบกเรื่องนันอลลูกไปซอกเครื่อง่านอะออันเดี๋ยวนี้ก็เลยยหน่อยหันกบเาไปลกไปซอกลูกมันเช่นกนลูมันจาเป็นไข่เดี๋ยวอ่านั่นๆลูกทันไปเรื่อยๆลูกทันไปเรื่อยๆ เพงเขามีเวลาปฏิบัติหลายทำใดมันก็เป็นการเติมความเร็วของเส้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกครั้งที่เขาลงมือปฏิบัติเป็นการเพิ่มสมมติว่าเขาเนี่ใส่เงินดุเนาะนาะหากเขาบรหาใส่เติมเนี่ยมันวัดได้บอลเนี้ยจใส่ต่วไปบุมี่แต่เขาขยันหากับขยนัขย น, ขย น, ขยนใส่ขยันหลงเขาก็ขยันลู้อย่างนี้นะ่ขยันใส่ความคิดกับตรงขยันปฏิบัติมันก็มันก็จะสมดุลกันเด้ แต่ถ้าขยันใส่ความคิดขยันเฮ็ดเบียกดี๋ว่าบกขยันปฏิบัติคือบอกขยันรู้มันก็หมดแล้วก็มดเลยคนในคณะที่ทำเฮ็ดเวีย้ยเขาสามารถรู้ได้นี่เป็นบอกจับน่นจับนี่โยคะ น, นี้ได้ไปนั่มค่าค่าขายเหมือนค่าขายได้กบไรมากขาดทุนไปก็ได้กำไรมากขาทุนไ ป, ไ ม, นไปมันก็นทัวกันอยู่แล้วบางมือก็ได้บางมือก็ได้กำไรบางมือขาด ท, นนนะนนนทนุนอยู่สินะแล้วก็ถัวกันไปทัวมาก็อยู่ได้แต่ขาดทุนไปตั้ง 5มื 50, ่นพวก็ไ hmm. ด mm ้2มื่นนี่โอ้มันบูดายเลยดินึกบ่ามันมันผสมผุวกกันแล้วนัินร่างเพื่อคืดถันกระเป๋าประกตาได้ทำออกไทยอนาพ่อขึ้นนาเป็นสิ่งที่ดีถึงว่าบรรลุไปกระไดคือว่าสิ่งที่ก็ได้จะแก้ปัญหาคือว่าได้คำคำตอบที่ดี ความคืดเ says, นี่ยความคืดนี่มันเป็นได้สองอย่างหนึง่งความคืดมันเป็นตัณหาก็ได้สองความคืดมันเป็นปัญญาก็ได้ึน้นอยู่ว่าตอนเขาตั้งต้นคืดอเขาตั้งสติเขามีสติบ่<ๆ>ถ้าความคืดใดที่เขามีสติในการคิดความคืดนั้นมันจะออกมาเป็นปัญญาความคืดใดที่มันคิดโดยที่ขาดสติความคืด น, นั้นมันออกมาเป็นตัณหาอ่โโๆๆๆามันเป็นปัญญาได้ว่าสติต้องหลาเพาะเด จะเปลี่ยนตัวรู้ตัวตัวรู้ตัวคิดให้เป็นปัญญาได้สติต้งไหลพ่อแต่จะสติตหน่อยเนยช่วงแรกมันขึ้นไปมันเป็นปัญญาอยู่พอโตอไปมันไม่เป็นปัญญาไม่เป็นตันหาแล้ ว, วันนี้พอสติมันหมดเช่นกันอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญให้สังเกตบ้างเอาถ้าคิดไปมื่อรอบมื่อรอบในบุแม่นั้นตอนแรกก็เข้าท่าดีเด้นันแสดงมันมีสติอยู่ตัวแรกตอนหลังว่ามันขาดสติพ่ออย่างเพราะเขาวุา่นในสังสมมาพ่อดัง น, นั้น พูดว่าสตินี่บมมีเกิน ม, ม, มีแต่เหตุเท่าไหรมีแต่พอดีมันจะปรับตัวของมันแต่แนวอื่นสนีสมาธิบอกปัญญาบอกแนว น, นั้นถ้เหตุหลายมันเกินแต่สตินี่บมมีเกินถ้าเหตุถึงนะแต่เหตุบ่ ถ, ถึงนี่มันเกินเลยอ่าก็อย่างที่ว่ามันลืมเท่าไรก็รู้เท่านั้นมันลหลงเท่าไรก็รู้เท่านั้นมันพอดีอถ้ารู้ถ้ารู้ลายก็หลงอ่า ถ้ารูด้ายก็หลงก็บีหลงลายก็รูดลงเท่าใดรูดเท่านั้นรูดเท่าใดลงเท่านั้นมไม่เหยื่เพ่อดีนะนั้นก็เลย ว, ว่าตอนที่มันอยากขึมันอยากมองนี้แหละมันอยากจะเห็นมันพ่อดีนี่นะแหะตอนแรกมึงเห็ดถึงแน่พิดแน่อันนั้นหน่อยแน่อันนี้ร้ายนี่ก็ไปยังไม่คัวเนี่ยไปเห็ดกับเขาประมาณจูๆจะเห็ดมื่นสองมื่นจะแสบด้วยประมาณได้เ็นบอกบางคนเป็นห้าปีก็ยังบวท่านแสบก็มีให้เรียกเข้าขเนี่แต่เป็นผู้เห็ดเป็นเติบเห็ดสิบปียี่สิบปี เเฮ็ดแห่งแสบพ่ออย่างพราะมันมันเห็นความพ่อดีนะมันจับอย่างก็พ่อดีมันความเคยเคยลึงแต่ผูดในเห็ดใหม่ใมันจับหน่อยเป็นหลายจับหลายเป็นน่อยอาหารตรงมากาบ่อยแซบนี่เป็นบออันนี้คือเกิดมาความลึงเพ่ออย่า ง, ง, งพูดปฏิบัติให้เห็ดไหลา ย, ายๆเพื่ออย่างเพื่อให้เกิดความลึงความเคยเพื่ออย่างานปัญญาย่านปัญญาเฮ็ดดุๆอย่างคนขับรถอย่างเงี้ยบมันขับรถ เดือนสองเดือนจะลึงจะเคยจะแก่นแล้ชำนาญหลดบุด๋มเองเลยเห็ดหลายปีเติบเลยบุ๋มครับอยู่หลายปีเติบอันนี้คือกันตัวความหูเมียเนี่ยต้องเห็ดไปเรื่อยๆเฮ้ยชุ่มือสู่มือแต่ผู้ใหญ่ขยันเห็ดหลายมันจะชำนาญไวแต่ผู้ใดขยันเห็ดหน่อยมันก็ํานานทราบเป็นธรรมดาเนะบื้องต้นเนี่เข้าใจซะก่อนว่าเออกายกับใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นทุกตลอดเวลาเหตุอย่างไดเท่าไหเอาถุกออกได ทุกมันเกิดจากไดมันเกิดจากกายหรือเกิดจากใจค่อยเบังค่อยแย่งค่อยศึกษามาเรื่อยๆอย่างเสียแต่ถ้าเฮาบรเจริญสติสัมมชนญาให้ดีแล้วจิตที่จะไปพยายามศึกษาฝ่อบังใจมันปมมีเพราะอยังเพราะความอยากมันขอมงั้นพอมากระดดกระดัความเคยชินน่ะนะความเคยชินอยชิดออกไปทางนอกมันหลายกว่าไอการที่เฮาจะให้มันชีนกลับเข้ามาข้างในมันหน่อยเฮาต้องฝึกดูดเพื่ออย่างเพื่อให้มันคิดอย่างปับมันกลับเข้ามานีก่อน มันบ่มน้ำบ่ไปกับสิ่งนั้นเวลาม่หยักกระทบปั๊บเนี่ยมันกลับมาเบื้องใจเสก่อนแต่ถ้าเราได้ฝึกมีหยักกระทบปั๊บมันไปพุ่งก้อนไม่นว่าไะมันก็ไปเตลิดลดกับโบป็นได้บัาเนี่ยแต่ถ้าเราฝึกหลายเข้าแลายเข้าอันกระทบปั๊บมันน่าเบื้องใจเสีของเสก่อนมันก็ลืมไปตามลำดับเนี่ยได้สติแล้วดังนั้นสาเหตุที่เราฝึกหลายๆเพื่ออย่างเพื่อไมหยักกระทบปั๊บเนี่ยมันจะไปแลนบให้ชิมันพุ่งออกนะชิมมันกลับเข้ามาก่อนนี่มาประดังสติก่อน ว่าจะเหตุยังจะเว่าอยังจะเหตุยังก็ว่ากันไปตามรองรับแต่ตามตนวเช่นนนี่ยเหมือนคนไอเขารับอยู่เนี่ยมีอยังเกิดขึ้นเลยเขาต้องตื่นจช่ก็ได้เขาจึงแล่นไม่ได้บอกบัดบางคนตื่นขึ้นมากระไปเลยเนี่ยเขาโบเอิร์นบัดตื่ น, นี่เขาเอิรว่าปยังเขาเอิรนว่าละเมอไม่ได้เป็นบ่หรอรู้ขึ้นมากระไปบางคนไปนั่นไปนี่มาเรียบร้อยมารับตออย่างนี้นะทำขึ้นเจ้าไปเห็น ไปดีมันกูฝันไปเดีไปสิเน่ยคนสมมุติเป็นอย่งนั้นมันละเมอไปมันบม่ได้ไปโดยสติเด้มันละเมอไปซื่ อ, อ, อเพราะนั้นเป็นตาศึกษาอยู่เรื่องนี้นะนั้นในช่วงซิปมือ น, นี่ยากมันได้กำลังเห็ดล ง, งเมือก็มาสอยแต่หากว่าเฮาเห็ดไปด้วยดีหมายความว่าบ่มีอุปสรรคเนีย่ยมาคัดมาควางบ่มีอยังมาดึงมาหลังมันเฮ็ดให้เกิด คัดคลองนี่ก็ถือว่าเฮ้าบุญมีหลาเติบบ่อ น, นี่มีแห้งทั้งปรมีที่จะรักษาคุ้มครองเขาได้ติบแต่เขาเหตุไปสักพักเลื่อนเรื่องนั้นเกิดเ ร, เรื่องนี้เกิดเหตุเพื่สะดวกเลื๋ยวนั้นเกิดบ่เป็นอันปฏิบัติเออแสดงว่ามีม่านเข้ามาหลาเติบบ่อนี่อาจจะบ่ม้อดีจะปฏิบัติหนึ่งสี่นะมันจะวัดภูมิไปในตัวด้ในขณะเนี่ยเป็นการเชียงบึงว่าเฮามาเหตุครั้งนี่ยมันจะมีม่านหลบ่ แล้วมองนี่จะเป็นพุ่มที่เป็นกําลังพ่อดีให้เกิดกําลังของผู้ทีเจ้าลงมาใดเรียม่านหลายเกินจนพุ่ดลงโบได้มันจะเป็นการเสียงกันได้ปะเนี่ยเพื่อจะภายในชิมือมูอเขาลองซวยกันสังเกตว่ามันจะออกมาแบบใดมันเหมาะสมดีจะเป็นที่ปฏิบัติต่อไปวะในช่วงชิมือถ้าบ่มีอย่างมากคัดมาคล้องมีปฏิบัติได้ดีปัญหาพยศอย่างบ่มีว่ากันยาว่ากันฟังบอกกันแล้วก็แล้วบ่มีการคัดขืนบุน ขอความกันมั่นก็นบ่มีปัญหาอย่างเออแสดงว่าภูมิตรงนี้เหมาะที่จะเป็นปฏิบัติต่อไปได้คอยสังเกตเด้อคอยบึง่งให้หูจักมั่นห้มกันเอาไว้แล้วซอยกันป้องกันมัน่นมั่นกับููซึว่ามีกําลังความสงบสูงกังเว้นในความสงบจะเหลือนันประมาณแสนเก้าแต่กังขึ้นตอนเศร้าในความความสงบขึ้นถึงสงองแสนเก่ากลังของสถานที่ดี แต่ตัวปัญหาจุกจิกเนี่ยมันหลายอยู่เพราะนั้นขึ้นกับว่าเฮ้าเนี่ยแยกหูท่านโบท่า น, นนทานหุมกันแต่ซอยกันหูท่านหุมกันแล้วก็ซอยกันอันนี้ก็ต้องแต่ละคนซอยกันแต่ลําพังหลวง พ, อพ่อผู้เดียวเอาโบไดเนี่ยเหมือนคนเข้าป่าเนี่ยต้งคนทั้งมิมีก็นซอยกันถังกันมาแต่มิตรของหลวงพ่ออันเดียวละมูเจ้าน้าหลังมาโบาท่านได้หมหนบลอละป่ามันหุ้มหลายเยอะ ตคนต่างๆตัวคนเนสั่งทางไปน้่กันนี่มันจะถูเปราหมาขึ้นกั น, กา ม, ากนมาใส่แต่มีหลวงพอคนเดียวเนี่อท่านเนินว่